ก็ไป็นเสาฝูดอะไรสู่ฟังก็ทุกสิ่งทุกอย่างเคยพูดเคยสอนก็สสำคัญเรื่องธรรมะทางศาสนาก็คือการปฏิบัติกายวา ย, ายใจใจพงตอ่อีกทีปฏิบัติทุกคนก็ต้องสังเกตตัวเองเราทำแบบนี้อย่างนี้กำหนดอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างไร แต่รับความสงบไหมหาสงบระ ง, งับโดยการกระทาบําเพนของตนก็ไม่ต้องไปวิ่งวุ่นหาวิธีอื่นทำของเก่าแบบเก่าจิตใจของเราก็คอยจะสะงบระ ง, งับแต่รับความสุขมัวแต่ไปคิดปรงุงว่าอย่างนั้นจะดีอย่างนี้จะดี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 อะไรที่ผิดแปดแตต่างเน้นสอนกันก่อนเน้สอนให้ไปทําไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติขอตัวของเราทุกท่านพอการมาพักผ่อนในวัดในวาก็มุงหน้าจะมาพักผ่อนจิตส่วนกายพักผ่อนที่ไหนก็พอพักผ่อนดะส่วนจิตจะต้องหาสถานที่ จะอยู่ในที่เอเ ก, กระ เ, เรอ ล, ลอเฮหารูปเสียงเสียงราวต่างๆลบควรการพักจิตก็เห็นว่ามันยุ่งลำคาญทักไม่ได้ตามสาธนาหรือฝึกยากเพราะรูปเสียงภายนอกเป็นเครื่องก่อควรความสงบของใจฉะนั้นในสมัยพุทธการท่านจึงสอน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 ความเียนก็คือความมีสติรักษาจิตใจในุ่งปรุงไปในอดีตอนาคตมุ่งกำหนดเรื่องอัตธรรมในปัจจุบันจิตใจสัมผัสกับเรื่องอะไรก็พิจารณาอันนั้นด้านพิจารณาถต่ด้านสงบก็ไม่ต้องรงสาย ไปตามสัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาดังหน้ารักษาบทบริกรรมหรือกำหนดลมจิตก็จะสงบไปเองเพราะจิตไม่ได้ทองเกี่ยวจิตไม่มีสิ่งกอดเกี่ยวหม่ยจิตสงบจิตโปวิเวกกายวิเวกหางา่ายทำงา่ายอยู่ปราศจากผู้คนรูปเสียงในป่าในดงก็เป็นเรื่องกายวิเวก เหมยง่ายแต่จิตวิเวกจะต้องอาศัยสติอาศัยบทธรรมอาศัยความเพียรพยายามข่มขีให้ใจิตใจเรียงวุ่นไปในอารมณ์ต่างๆให้อยู่ในบทบริกรรมหรือกำหนดลมของตนเมื่อเรารักษาอย่างนั้นใม่ปล่อยสติเธอตัว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 ที่เป็นไปในทางธรรมะจิตแตกแตก ต, ต่างกับความสุขทางโลกเพราะความสุขทางโลกที่เราข่องคิดคิดตรงมันก็เหมือนกันกับสัตว์แต่เราเองสมมุติให้เราว่าเป็นคนเป็นผู้ที่มีความดีเด่นกว่าสัตว์ทั่วไป